ع د و بسال الظالمين بدلا ما أشهتهم د خلق السماوات والأرض ولا خلق أمفوسهم وَمَا كُنْتُ مُتَخِذَ ّ الْمُضِلِّينَ ع َ د ُ د ً ا وَيَوْمَ يَقُولُنَ أ َ د ُ و شُرَكَ َِ ا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فدعوهم فلم يستجب لهم وجعلنا بينهم مع ب ق ا و ورأى المجريون النار فظنوا فَظَنُّوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصدر ونعوذ ََُُ بالله َِِّ من ِْ شرور ُُِ أنفسنا ََُِْ ومن َِْ سيئات ََِِّ أعمالنا ََِْ م َ ن ْ ي َ ه ْ د ِ ه ِ الله َُّ فلا ََ مضلله ََُُِّ وَمَن ْ ي ُ ض ْ ل ِ ل ْ فَلَهَاذِيَهُ ا ل َ وَأَشْهَدُ أَن ْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَاهُ وَبِكَ ن َ ح ي ا وَبِكَ ن َ م و ت ُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ أَعُوذُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ت َ م َ ا ت ِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ب ِ س ْ م ِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَا عَصْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و َِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ر َ ض ي ت ُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ د ِ ي ن َ ه วบิมูฮัมมัดอิลลัสลามอาลัยคุมมะรับมาตุลลอฮิวะบรากาตุพีน้องที่ร่วมนมาต์สุบะทุกท่านกับปรหัมดุลิลลาขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับตื่นขึ้นมาก็มา มานะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ س ะาลาเราทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺ س ه และุทธาลานะครับพี่น้องแล้วก็หยิบกุรอานมาทบทวนอัลกุรอานวันนี้เราทบทวนมาถึงสุร์อัลกัษูุร์ที่สิบแปดมาถึงอายะที่ห้าสิบนะครับ มาถึงอายาที่ห้าสิบอายาที่สี่สิบเก้าเนี่ยนะครับเราอ่านพบว่านะภาพขงวันเกียมาที่เอาร้อเล่านะภา พ, พวันเกียมมาที่เอาร้อเล่าเป็นเรื่องจริงนะภาพของวันเกียมาคือมนุษย์เนี่ยตายหมด พอตายหมดแล้วก็จะฟื้นวันฟื้นคืนชีพเนี่ยวันนั้นน่ะมีสัญญาลักษณ์อะไรบ้างอายาที่47 48 49สามอายานี้เล่าให้ฟังเราจะให้ภูเขานี่น่ะเคลื่อนย้ายได้นะครับนุไซรุลีบาแล้วจะให้ภูเขานี่เคลื่อนย้าย วะตระลัลบบาริสตันเราจะให้มนุษย์จะเห็นแผ่นดินเนี่ยราบเรียบเป็นหน้ากลองวหชารนาฮุมแล้วเราจะให้มนุษย์เนี่ยมาชุมนุมกันสามแล้วนะฟัมนวดิรมินฮุมอฮดาไม่มีใครหนีไปไหนได้สักคนหนึ่งนั่นภาพ ที่เราจะต้องพบเห็นแน่ๆไม่ต้องสงสัยขนาดภูเขาเคลื่อนย้ายได้แล้วบ้านเราจะเหลือเหรอเนกภาพนี้พี่น้องขนาดภูเขาเนี่ยแต่ตับซิดอธิบายดีเขาบอกขนาดภูเขาเคลื่อนย้ายที่ของมันน่ะบินว่อนเนี่ยแล้วก็ บ, บ้านเราจะเหลือเหรอต้นไม้จะเหลืออาคารใหญ่ๆสูงๆในโลกนี่เหลือไหมไม่เหลือหรอกครับ แักรู้อานอธิบายต่อว่าตารอลอัรบบาริซัตันอายาที่47แผ่นดินจะราบเรียบเป็นหน้ากลองว่หัารนาหุมและเราจะให้มนุษย์เนี่ยรวมชุมนุมกันไม่มีใครหนีรอดไปสักคนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็าตามใจแต่คนมุสลิมเชื่อคนอ่านคุมอานกลัวหมด อายาที่78ปดว่าริดูอลารฮ์บิกัซอฟาอัลลอฮ์จะให้ถูกนำตัวมามนุษย์เนี่ยไม่ใช่มาเองนะถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าพระผู้อาภิบาลของของท่านยืนแบบไหนซอฟฟายืนเป็นซอฟเป็นแถวในคุรานบอกว่าซอฟฟาแถวเดียวในตัฟซีบอกว่าหลายแถว เอาละจะเป็นกี่แถวก็ไม่มีปัญหาต้องยืนแน่แน่ยืนต่อนหน้าใครละ่ะอาดารอบบิกะต่อนหน้าพระผู้อภิบาลของท่านอาลัลลอฮฺอักบารเนี่ยภาพนะต่อมาครับอายาที่49วาวุดีอารกิตากิตาบเนี่ยแปลว่าไม่ใช่แปลวันหนังสือแปลว่าสมุดบันทึกสมุดบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์นั้นถูกนาเอามาวางไว นะครับนี่ภาพที่ไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าภาพที่หกสมุดบันทึกถูกนำเอามาวางไวฟาตารอลมุจิมีนคนชั่วมูจิริมแปลว่าคนชั่วคนเลวคนบาปคนไม่เอาศาสนาคนไม่เอาสุนัขนบีเป็นคนบาปหมดคนเลวหมดแค่เห็นสมุดบันทึกเท่านั้นแหละมุชฟิกีนแปรร้ายกลัว ตัวสั่นแล้วกลัวอะไรไ ม, มิมาฟี่กลัวสิ่งที่อยู่ในบันทึกวันเนี้ยเราไม่เคยกลัวหนังสือตำราที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่กลัวไดเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งเาราจ์ต้องกลัวเห็นแค่สมุดบันทึกน่ะตัวสั่นแล้วกลัวแล้วพราะมเรื่องของเราอยู่ไป น, นั่นหมดเลยวายกูลูนและคนชั่วคนเลวก็จะพูดว่า มะลิฮาดารกิตาบนี่สมุดบันทึกอะไรเนี again, a a again, a ่ยลาโกาดิรุรตันวาลาบรตันอิลลัอัซฮไม่ว่างานเล็กงานใหญ่บันทึกหมดอโลงงานงานเล็กๆกาบันทึกงานใหญ่ๆก็บันทึกบาปเล็กๆก็บันทึกบาปใหญ่ๆก็บันทึกว่าว่จะดูมาทำูฮาดรอเขาจะได้พบ ที่ภูเขากระทำนั้ น, นมารออยู่ข้างหน้าเขาหมดเลยอาลูกัชอาลูกกัชฟีอาลูกัคือคนที่รู้ยานลับๆเรื่องลับๆเนี่ยความจริงเน่เขาไม่ให้รู้ราคืออย่างนี้นะนะแต่จะมีบางบางกลุ่มพูดว่ารู้เรื่องเล่นลับพวกหมอดูตั้งถ่ายเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอะไรนะวันที่ความดีความชั่วของเขาจะมารอเขาอยู่เนี่ย มีเฉพาะเป็นตัวหนังสือเขาเชื่อแบบนั้นมีอากิดาแบบนั้นแต่ชาวซาลาฟมาเชื่อบอกว่ามันไม่ใช่ตัวหนังสืออย่างเดียวนะภาพภาพก็เห็นเสียงก็เห็นทางภาพทางเสียงอัลลอฮ์ทงตัวหนังสือเห็นหมดเลยอะ่ะตกลงว่าวันนั้นน่ะเห็นหมดเลยทางภาพทางเสียงทางตัว ทั้งอะไรอีกทั้งตัวหนังสือเห็นหมดเลยความผิดของเราที่เราทำไว้อัลลอฮฺอัลลอฮฺบิลลาฮฺขอรักบุมครองนะอัลลอฮฺไม ah ่อารทมไม่อารทมใครเลยอันนี้มาอายาที่ห้าสิบนะครับ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فاسجدوا إلا إبليس และจงรำลึกถึงคำว่าอิ ذ เนี่ยแปลว่าให้นึกให้นึกนึกนนึกนึ ก, น ก, น ก, น ก, นกภาพเก่าๆตรงว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องเรียนประวัติศาสตร์เยอะแล้วก็จำประวัติ ว่าวอิส ก, กุลนาและจงจาเรื่องถึงเมื่อเราได้กล่าวเราได้พูดนะครับพูดกับใครลิลมาลาอิกะเเกมาลาอิกะว่าอุสจูดูลีอาดัมอุสจูดูแปลว่าจงอะไรนะจงสู่ยู่โดยตรงนอบ น, อ บ, นอบนอบจงสู่ยู่จงนบนบต่ออาดัม พี่น้องต้องนึกภาพนะมาลาอิกาเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนมนุษย์แต่ถูกสร้างมาจากรัศมียินถูกสร้างมาจากเปลวไฟมนุษย์อาดัมถูกสร้างมาจากดินแล้วก็ชัยต้อนถูกสร้างมาจากไฟนะมาลาอิกาถูกสร้างมาจากรัศมีเมื่ออัลลอ์สั่งมาลาอิกาบอกว่าอุสจูดูรีอาดัมมาลาอิกา คือตรงนันเป็นอย่างงี้วันนั้นนะ่ะวันที่อัลลอฮฺสั่งมลายิกาเนี่ยนะมียินอยู่ด้วยแล้วก็มีชัยตอนอิบลิสอยู่ในกลุ่มเดียวกันอต้นนึกภาพแบบนี้นะหนึ่งมีมะลายิกาอยู่แล้วก็มียินอยู่แล้วก็มีอิบลิสชัยตอนอยู่ในกลุ่มเดียวกันอัลลอฮฺสั่งพวกเองทั้งหมดเนี่ยสุญญ ด, ดอ่า ฟาซาจัดวมละอิกาทั้งหมดสุ jud อิละอิบลิสยกเว้นอิบลิสมันไม่สุ j เพราะอิบลิสมันถูกสร้างมาจากอะไรนะถูกสร้างมาจากไฟถูกสร้างมาจากไฟและอิบลิสจะเป็นอะไรกานามีนัลจินนี่มันอยู่ในพวกจิน มันอยู่ในพวกยินอ่านี่เราได้รับความรู้เลยนะตกลงว่ายินกับมาลาอิกะแล้วก็อะไรนะอิบลิสอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ไม่เหมือนกันนะถูกสร้างมาคนละอย่างละอย่างแต่ว่านั่งอยู่รวมกันอัลลอฮก็สั่งไว้พวเองเนี่ยสุญูด ต, ต่ออาดัมอิบลิสไม่สุญูด เพราะมันเป็นยินต้องรูว่ายินมีสองกลุ่มนะยินดีกับยินเลวใช่ไหมส่วนมาลาอิกาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่เคยทรยศต่อคำสั่งของอัลลอแม้แต่น้อยนะครับฟาฟาสะกอนอัมริรบบฮีฟาฟสะกอฉะนั้นมันอิบลิสเนี่ยนะมันเป็นยินนะ มันฝ่าฝืนคําสั่งฟาสโกะแปลว่าฝ่าฝืนนะฟาสโกะแปลว่าฝ่าฝืนมันไม่เชื่อนะอันอัมริโร บ, บิีคําสั่งอัมริแปลว่าคําสั่งโอบบิีพระผู้อาภิบาลของมันอิบลีสเป็นยินแล้วก็มันไม่มันฝ่าฝืนคําสั่งของพระผู้อาภิบาลของมัน อาฟะตะตาัดตาคีรูนะฮูอัลลอฮ์าถามนะสูเจ้าอ่าเนี่ยอัลลอฮ์าถามเราวันนี้คนที่อ่านคุรานในเมื่ออัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วว่ายินเนี่ยมันเป็นชซต์อนอิบลิสเนี่ยคําว่าอิบลิสเนี่ยเป็นหัวหน้านะลูกน้องของมันก็คือชัย์ตอนอ่าอิบลิสเป็นลีเดอร์เป็นหัวหน้าลูกน้องคือชัย์ตอนเราก็มาไปอยู่ในกลุ่มยินด้วย พวกนี้มันทำหน้าที่อะไรฟาซาโกอันอัมริรอ บ, บีหน้าที่ของมันคือทรยศฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาละฉะนั้นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมนุษย์มีทั้งดีแล้วก็ชั่วมนุษย์ที่ดีเนี่ยนะจะสุญญุตต่ออัลลอ์แต่มนุษย์ที่ชั่วเนี่ยจะไม่สุญยุตต่ออัลลอ์ ที่เรียกควไม่สุญูดต่ออัลล์นี่ทำตัวเหมือนใครเหมือนอิบลิสนี่อิบลิสเนี่ยไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์นะอัลล์ลลสั่งนะไม่สุญูดต่อคาสั่งอัลลอฮ์ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเองอัลลอฮ์ตาหน้าว่าเป็นอะไรฟาฟาสะกอเขาฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ครั้งเดียวนะครั้งนั้นครั้งแรกที่อัลลอฮ์สั่งอะ่ะ พอมันไม่สุญญูดพระอัลลอฮ์ตาหน้าเลยฝ่ฟาสตออันอัมริรอ บ, บีมันฝ่าฝืนคําสั่งของพระผู้อภิบาลของมันอัลลอฮ์ก็ถามถามพวกเราว่านี่คนที่อ่านกุรอรานเนี่ยคือถามสมัยนบีแล้วก็ถามสมัยเราว่าอัฟตัดตคิรูนะฮูสูเจ้าจะเอามันตัดตะคิรูแปลว่าเอาสูเจ้าจะเอามันอะไรเอาอิบลิสนะ เอายินที่ทรยศ ต, ต่ออัลลอ์เนี่ยจะยึดมันวาซุรียะจาหูแล้วก็ลูกน้องของมันลูกน้องก็คืออิบลิสเนี่ยชายตอนที่ตัวเล็กๆกัลูกน้องอย่าลืมว่าอิบลิสเน่เป็นลีดเดอร์ใหญ่นะมันมีลูกน้องเยอะลูกน้องมันเยอะที่เราเห็นอยู่บนโลกใบนี้ก็ลูกน้องมันก็เยอะที่ออกมาในรูปคนก็ยัฮูดีนัสรอเนนีลูกน้อง พวกไหนอพวกอิบลิสชัยตอนแต่คนที่นอนยังไม่ตื่นตอนนี้ขณะนี้นะอันนี้ก็คือนอนชัยตอนทั้งหอนท่นละเห็นไหมอาฟตัตตัคิซูนฮูนี่ยอลัลลอ์ถามว่าพวกท่านเมื่อรู้ว่าชัยตอนอิบลิสมันเลวนะมันทรยศต่อคำสั่งของอลัลลอ์พวกท่านเนี่ยทั้งหลายเนี่ยจะยึด จะเอามันจะยึดมันและลูกน้องของมันเป็นผู้คุ้มครองเอาลเลียแปลว่าเป็นผู้คุ้มครองจะยึดอิบลิสไทรตอนจะยึดลูกน้องของมันเป็นผู้คุ้มครองมินดูนีอื่นจากอัลลอฮ์กาหนั่นหรือนี่อัลลอฮ์ถามให้ชายปัญญา คนที่ผู้ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์เน่ยท่านจะไปยึดมันเป็นที่พึ่งอาวันนี้มนุษย์เนี่ยยึดชายตอนเป็นเป็นที่พึ่งใช่หรือไม่ใช่เต็มหมดเลยอ่ะคนจะเป็นหมอดูยึดชายตอนเป็นที่พึ่งยึดยินเป็นที่พึ่งคนจะไปหาลูกกองลูกกอกทั้งหมดเนี่ยยึดชายตอนยินเป็นที่พึ่งคนที่ยึดเจ้าที่ก็เหมือนกัน นี่ยึดชัตอนกับยึดผีเป็นที่พึ่งบางทีบ้านเราสองสองชั้นนะข้างบนดังก้องแกรกก้องแกรกเรากลัวกลัวมันทาอะไรบางทียินมันเดินอยู่ข้างบนก็ได้พราบ้าไม่อ่านกัมภีรอ่านบ้านบนานัญญามาสใช่ไหมนะยีนเป็นต้นแต่ท่านยินบางทีมันก็แปลงตัวมาเป็นคนใช่ไหมเราก็ไม่รู้บางทีแปลงตัวมาเป็นหมาเป็นสุนัขสีดํำๆอย่างเงี้ย มันนั่งอยู่มียืนอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้แร้ว่าหมาทั้งหมดเลยท่า น, นพี่น้องหลายอัลลอฮ์ถามว่าอาฟัตตักฮิรูนะฮูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะยึดเอามันเอาอิบลิชัยตอนเนี่ยซึ่งมันทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์มันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือ เนีุ่ท่านทนเวลาพี่น้องทำศีกต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็ยึดผีหมดเลยอะ่ะบางคนก็ยึดยึดจิงโจกน้ำหนักบบเบรกิงโจกทักไม่กล้าออกอนะ่ะถอยครูดเลยนี่กลัวลัวจริงโจกพอจิงโจกเตือนอยู่ข้างนอกมีอันตรายบางทีตอนสามสี่ทุ่มนกแขวบินแควกโตะว่าคนตาย นี่ความเชื่อแบบนี้น่ะอัลลอฮ์เติร์ตามชาตอนเดินตามยินหมดเลยชาติไปยึดมันทนําไมน่ะยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นผู้คุ้มครองเราทําไมใช่ไหมเนี่ไปหาหมอดูกันเหมือนกันหมอมันก็อาศัยอาศัยชายตอนอาศัยผีเนี่ยพวกมาดูหมอดูทั้งหมดเนี่ยอิสลามห้ามหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะเล่าจริงๆว่ามุสลิมนั้นต้องผูกพันกับใครนะอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้น ทีนี้อิบลิสเนี่ยมันเป็นยินแล้วก็ยินแล้วมันทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์พวกท่านยึดมันทำไมวะหุม่มและพวกมันละกุมแก่สู่เจ้าอาดูวุ้นแปลว่าศัตรูแอนมีอาดูแปลว่าศัตรูฉะนั้นไชตอนอิบลิสยินที่เร็วๆ เ, เนี่ยเป็นศัตรูกับท่านทั้งหลายนี่ใครบอกอัลกุรอานเล่าให้ฟังเลย โอ้พวกเราเนี่ยังทำอะไรผิดๆกันเยอนะะนะจังท่านอย่าไปยึดยึดผียึดเทวดายึ ด, ดยึดนี่พระเจ้าป้อมอย่าไป อ, อย่าไปยึดนะครับวหุมและคุมอดูและพวกมันเป็นศัตรูแก่สู่เจ้าบิซะลิโกลิมีนาบาดาลาบิซะแปลว่าชั่วเลว บิซ่าแปลว่าชั่วช้าแท้ๆลิกลิมินผู้อาธรรมคนที่ไปยึดเอาอิบลิชไชตอนเป็นที่พึ่งเป็นผู้ปกครองไหนไปน้องบาดาลาแปลว่าแลกเปลี่ยนคือแทนที่จะยึดอัลลอฮ์กับยึดไชตอนนี่แหละเป็นการแลกเปลี่ยนที่เลวที่สุดเป็นความแลกเปลี่ยน ผู้คนที่อาจทมแบบนี้เขาเรียกว่าคนคนอาจทำคนโอเลมคนไม่เอ า, าศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูมไม่เอาซอนดะ บ, บีและไปยึดชายตอนยึดผียึดนูน่นยึดนี่มาเป็นผู้คุ้มครองเนี่ยแลกเอาอัลลอฮ์ทิ้งไปแล้วเอาชายตอนเข้ามาแทนนี่แหละเป็นความชั่วแท้ๆมันคนอ่านคุรอ่รานจะจะเข้าใจทันทีอพี่น้องเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่าง อันนี้มีห a d i s มีห a d i s เขาถามอย่างนี้นะครับเป็น hadis ของท่านนาบีนะอันยิงอาอิช่าเป็นคําอธิบายนะ hadis อธิบายกูลอานท่านยิงอาอิช่าได้รายงานบอกว่าว่าท่านนาบีสอนว่าคุริโกตินมาลาอิกาตุมินนูรินมาลาอิกาเนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับ ว, ว่าคุลีกออิบลิสุมินมาริจิมมินนารินส่วนอิบลิสนั้นถูกสร้างมาจากไฟที่ไม่มีเปลวควันไฟที่ไม่มีเปลวควันคำว่าไฟในร้อนจัดนะไฟที่ไม่มีเปลวไฟไฟที่ไม่มีเปลวควัน ว, ว่าคุลีกออาดามมิน ม, มาหุสิฟานะกุม ส่วนอาดามนั้นถูกสร้างมาจากดินที่เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วนี่อัลลอ์สอนให้เราได้ใช้ปัญญาไนปะนอ้อในตัฟเซติบลกเซษอธิบายดีนะเบอกเป็นอย่างนี้อิบลิสเนี่ยก่อนที่ก่อนที่มันจะปฏิเสธคำสั่งของอัลลอ์ที่อัลลอ์สั่งให้สุญูดเนี่ยนะมันชื่อเดิมก็มันชื่ อ, อย่างนี้ ชื่ออาซาซิลชื่ออาซาซิลอยู่กับมลัยกาณ์นั่นแหละกลุ่มเดียวกับมลัยกาณ์นั่นแหละว่กาณัสุกานุนลอาร์โดเวลามันอาศัยอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้อาศัยอยู่บนพื้นพื้นผีพบอาศัยอยู่บนแผ่นดินก่อนที่มนุษย์จะจ ะ, จะถูกสร้างะนะ ว่าการน้ำมินอาชา ด, ดิลมาลาอิกะอิสติ dan พออิบลิสเนี่ยขยัน q a มาลาอกะชอบทำงานงานหนักๆเนรับที่ชอบหมดอะขยันว่าอัคซาลูห์มัยล์มันมีตำสิทธิอธิบายนะแล้วก็มีความรู้เยอะรู้อะไรเยอะ ฟาซาลิกดาด้าฮุกินส์กิรด้วยความรู้ที่มีอยู่ก็แข็งแรงกว่าทำงานมากกว่ามลาอิกาเนะ่ะเลยเย่อหยิ่งจองของเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์เราเองก็เหมือนกันวันนี้ใครที่มีการงานเยอะหน่อยมีฐานะการงานมากหน่อยมีงานทำเยอะกว่าคนอื่นมีความรู้มากกว่าคนอื่นใช่เอาเอานิสยัยชายตอนมาใชา้แต่กับบุตร ใช่หรือไม่ใช่มีไหมมีฉะนั้นเราต้องมองตรงมองตรงมองตร ง, มองตรงกันข้ามฉะนั้นมนุษย์ใครที่มีความรู้ถ้าไม่มีอีมานกากับชีวิตถ้าไม่มีอีมานกากับชีวิตนะคอนโทรลชีวิตนะจะเลวหมดเลยฉะนั้นเรื่องอีมา ن เนี่ยสำคัญที่สุด เว่ามีเงินไม่มี إ ي م านทำตัวเย่อหยิ่งจองหองมีความรู้มากกว่าคนอื่นถ้าไม่มี إ ي م านกำกับเลวหมดเลยแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติยศไปไหนมาไหนคนตอนหน้าตอนหลังถ้าไม่มี إ ي م านกำกับชีวิตเลวอีกเสียอีกเนี่เพราะอ่านกุณอ่านเราได้รับความรู้เยอะมากเลยอัลลอฮฺัมดุลแลห์ฉะนั้นอิบลิสเนี่ย ทำไมเอาลอดจึงมันไส์อ่ะก็เวลามีความรู้มากกว่ามลัยกาแล้วก็มีอะไรนะมีงานมากกว่าขยันมากกว่าทําให้ตัวเองนั้นตะกำ บ, บุตแล้วก็คุยด้วยนะมลาัายกาถูกสร้างมาจากกระมีอาดามถูกสร้างมาจากดินแล้วก็อิบลีกถูกสร้างมาจากไฟมันคิดเองนะว่าไฟนั่นดีกว่าดินวันนี้เราเองก็ มนุษย์เองอะ่ะคิดนะ่ะคิดว่าใครที่มีเงินมากกว่ารวยกว่าดีกว่าคนจนใครบอกคนจะดีกว่ากันเนี่ยอัลลอฮ์วางไว้วางหลักการไว้อัลลอฮ์มองที่ไหนถูกไหมอินนาอักโรมะกุมอินดัลลอยอัตกอกุมคนเนี่ยมนุษย์นี่นะจะดีกว่ากันน่ยอยู่ที่การตักงวาต่ออัลลอฮ์ ไม่ใช่มีเงินมีเงินลองไม่จ่ายสกาดูสิถูกอะไรนาบเหล็กระดดเนี่ยนาบข้างหน้านาบข้างหลังนาบใส่ข้างอะ่ะเห็นยังอา้าวรู้ได้ไงวันที่น บ, บีขึ้นเนี่รอดที่ไน บ, บีไปเห็นภาพอย่างนี้อา้าวพอมีเงินไม่ยอมนามาศน บ, บีขึ้นเนยรอดไปเห็นภาพอะ่ะยิบรีนพาไปเห็นชายกลุ่มหนึ่งเอาหินเนึ่งมาโขกที่ศารษตัวเอง พอเลือดไหลดีมันก็หายหายก็เอาหินมาจับโขงอีกภาพอย่างงี้นะบิทานี่กลุ่มไหนเนี่ยยิบรียก็บอกว่านี่นะกลุ่มที่ไม่นามาศอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่คือน้องอย่างอะ่ะเพะนั้นทำเองมีอีหมันกํากับชีวิตนะขี้เกียจนามาศกันหมดนะ่ะเพราะนั้นน บ, บีเลยพูดไปว่าไร น, นะที่น บ, บีพูดไว้นะ จะอาัมมั่นมั่นจะอาลัลหูมมใครที่เก็บความทุกข์เก็บความทุกข์รวมความทุกข์เอาไว้ในที่แหลนเดียวคือความทุกข์ในโลกอาคีรอใครที่เก็บความทุกข์เอาไว้จาทุกของคนที่ไม่ไม่นามาดเนี่ยความทุกข์ก็คือเอาหินมาโขกศีรษะตัวเองถ้าเรานึกตรงนี้เยอะๆเนี่ย ไอ้ทุกข์บนดุงยาเนี่ยมันไม่เท่าไหรครับมันแก้ได้แต่ทุกข์ในโลกอาคิยร์ร็อเนี่ยแก้ได้ไหมล่ะมันแก้ไม่ได้อะใครจะมาช่วยเราอ่ะพ่อช่วยได้ไหมไม่ได้ลูกช่วยได้ไหมเพื่อนช่วยได้ไหมภรรยาช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้แต่บนดุงยานี่ช่วยได้แต่ภาพอาคียร์ร็อช่วยไม่ได้ฉะนั้นเราเอาทุกข์ตรงนู้เนี่ยมาเก็ไว้ในใจเยอะๆเพราฉะนั้น เรื่องดุนยาเนี่ยอลัลลอฮฺจะแก้ไขให้เองเอาเรื่องทุกข์อาคิระรอมาวางไว้ต่อหน้าเราเยอะๆและอลัลลอฮฺจะแก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนบนโลกดุนยานี่ให้เลยคนนี่มาเคยกินเนื้อตลอดปีเงินไม่มีอ่ะไม่ต้องไปห่วงนี่กุลบานจะมาอีกแล้วอา้าวเอาไปสิโลสองโลได้กินไหมได้กินดุนยามันคลายมาถึงประตูหน้าบ้านนะฉะนั้น ให้หัวใจเรานึกถึงภาพอาร์เคโรย์เยอะๆภาพที่เอาหินโขกหัวตัวเองนึกภาพนี้เรากลัวลูกเราจะถูกเอาหินโขกหัวตัวเองเพราะเพราะไม่ละมาดเนีเมียไม่นะมาดนึกภาพนี้เยอะๆถ้าเราเอาทุกเรื่องอาคิเคโรอย์อย่างเดียวมาวางไว้ข้างหน้าเราบ่อยๆเนี่ยทุกบนดุลยานี้อัลลอฮฺจะให้เบาบางลงทันทีนะครับเอ้าต่อมาครับ อีกฮะดิษหนึง่งนะนบีสอนอย่างงี้นบีสอนบอกว่าในตัฟซิดนะตัฟซิดอีกหลายหลหลายหลายเล่มในใบรอวีเนี่ยในยในใบรอวีพูดบอกว่ามาลายอีก้าห์นี่นะไม่เคยทรยศต่ออัลลอฮ์เลยไม่เคยทรยศต่ออัลลอฮ์เลย เมื่อมาลายอิกาไม่เคยทรยศต่ออัลลอฮ์ถามว่ามนุษย์กับมาลายอิกาเนี่ยใครดีกว่ากันมนุษย์อย่างเราเนี่ยกับมาลาอิกาเนี่ยใครดีกว่ากันส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามาลายอิกาดีกว่ามนุษย์แต่คําอธิบายจริงๆนี่นะไม่ใช่มนุษย์เนี่ยแต่ต้องเป็นมนุษย์ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ มนุษย์ที่มีอีมานต่ออัลลอ์นั้นดีกว่ามาลาอิกะที่ดีกว่าเพราะอะไรอย่างมนุษย์อย่างพวกเราที่มานั่งในมัสยิดเนี่ยที่เราตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหมอาบน้ำนามาแล้วนามาแตหัดยุด ท, ที่บ้านแค่สวงแล้ก็อาดเพราะมันแก่แล้วใช่ไหมตามโดยเวทศอีกสามแล้วก็ออกจากบ้านขับรถมาที่มัสยิดเนี่ยเราทำความดี ต้องฝืนอารมณ์ใช่หรือไม่ใช่ต้องฝืนอารมณ์เราขับรถมาในี่ฝืนอารมณ์จ้าก็ต้องจ้องจะชนหมาชนคนหรือเปล่าต้องขอดุอิศใช่ไหมพอเราฝืนอารมณ์ปั๊บเนี่ยเราดีกว่ามาลาอิกาส่วนมาลาอิกาทำความดีไม่ต้องฝืนอารมณ์ อย่างมาเลก์กาที่กําลังสูญอยู่เนี่ยไม่ได้ฝืนอารมณ์เพราะอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพา ะ, อ, ะอย่างมาเลก์กาที่ยืนจดจดอะไรนะจดคนที่มานามาดวันศุกร์เนี่ยในวันศุกร์เนี่ยมาเลก์กายืนอยู่ป่าประตูสุราหมดเลยนะยิ่งมังกรมาการเนี่ยมาเลก์กายืนเต็มหมเลยแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่นบีประมัดเล่าให้ฟังยืนบันทึก คนนี้มามัสยิดเป็นคนแรกรังวัลเท่ากับทากุรบาลอูดหนึ่งตัวมาช่วงที่สองรังวัลเท่ากับเชือดแพะเชือดและเชือดรัวมาช่วงที่สามเท่ากับเชือดแพะมาช่วงที่สี่เท่ากับเชือดไกมาช่วงที่ห้าก่อนอิมามจะขึ้นกุณบาร์เท่ากับทากุรบาลด้วยไข่มาเลก์กาบันทึกหมดเลยที่ทำหน้าที่ตรงนั้นไม่ได้ฝืนอารมณ์ แต่มนุษย์ตั้งหากที่ทําความดีต้องฝืนอารมณ์เลยดีกว่ามาลาอิกะตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนชั่วแน่นอนเล็วกว่ามาลาอิกะอยู่แล้ว <c oughs> ท่านวันนี้เราตทําความดีฝืนอารมณ์ไหมฝืนอารมณ์พราะฝืนไปฝืนไปฝืนไปสักระยะหนึ่งความเคยชินมันก็จะตามมาพอชินชินชินชินชิ น, ชนรางวัลมันก็มันจะทํำด้วยความอร่อยเอาเนอย่างพวกเราเนี่ย ถ้ามาได้มาฟังตัสืิตเช้าๆนั่นมันไม่อร่อยนะพอฟังแล้วสมนันอร่อยอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมแต่ที่พอฟังไปฟังไปผลบุญก็มาความรู้ก็มานี่ไงเราดีกับมลอิกะนะครับเพราะฉะนั้นมลอิกากับมนุษย์ใครดีกว่ากันนี่คำอธิบายของตัสืิตอธิบายดีมากนะอัลละฮ์มารุ่นก่อนก็อธิบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้อง จดีอัลลอฮ์าถามว่าไงนะอัฟตัตตะคิดูนะฮูวาซุริยะตะฮูอัลลียอามินดูนีแล้วสู่เจ้าจะเอาอิบลิสและลูกลูกของมันนี่อย่าลืมมาตอนเช้าๆเนะี่ยอิบลิสมันส่งมันเรียกลูกน้องมาประชุมนะมาประชุมมากับเป็นล้านเป็นแสนนะั่นแหละหัวหน้ามึงไปยืนพูดเอาเองไปยุให้บ้านนี้ทะเลาะ ก, กัน เองยุให้สามีภรรยาคู่นี้เขาเลิกกันเองไปยุให้กระทำดีนาเองไปยุทำมันกินเหล้าออกไปทํางานตามเช้าส่งเลยสูงคุน้องไปทํางานในห a d i s อธิบายบอกว่าถ้ามาชายตอนตัวไหนเข้ามารายงานบอกว่าฉันนี่น่ะยุให้คนทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาก็กระจกงานนี่งา น, งานกระจก เดี๋ยวมันก็ดีกันยุให้เขาเถียงกันกับสามีภรรยานงานงานกระจอกไปทําไมให้มันยากันเลยแค่ทะเลาะกันงานกระจอกที่อิบลิสเล่าไอ้เองทํางานกระจอกมากเลยมารายงานได้ยังไงทําให้สามีภรรยาบ้านนี้เถียงกันไปไปไปไปทำไมให้มันใหญ่กว่านี้ให้มันเลิกกันเลยมันต้องอย่างนี้ อ, อ, อ, อีกตัวหนึ่งมารายงานฉันทำให้เขากินแล้าเฮ้ยออกระจกท่้นมันฆ่ากันด้วยอ่าไองานที่ใหญ่กว่าเล่าคือต้องฆ่ากันไปไปไ ป, ไปลงประทาไมเห็นไหมพี่ทุกคนทงหลายนี่อ่านจากคั ด, ดีินบิลเล่าให้ฟังท่าน่าลืมว่าหน้าที่ของชายตอตื่นเช้าขึ้นมามันทำหน้าที่ของมันครบฉะนั้นเวลาเราจะทะเลาะ ก, กับเมียตงนึกให นี่ใช่ตอนอิทธิพลใช่ตอนหรือว่าตัวเราเองต้องนึกตามาจชาชตอทั้งหมดมัจชาชะตา น, นั้นแล้วต้องนึกเลยเอาอุเบกยมันมาใช้ตอนในรอยีอัสุนานาบีมาใช้เอา้นานบีสอนยังไงสามีภรรยาเนี่ยยกตัวอย่างนะมีอยู่วันหนึ่งนบีเป็นนอนที่บ้านท่านหญิงยูไวดียภรรยามีหลายคนพอเป็นนอนพอตอนดึกนบีลักขึ้นเข้าห้องน้ำใช่ไหม พอเข้าห้องน้ํานางเอามือคลำอยู่อ้าวน บ, บีหายไปไหนผู้หญิงก็เลยนึกสงสัยแอบไปอยู่บ้านที่สองที่สามที่สี่ก็ล็อกประตูพอล็อกประตูเสร็จน บ, บีมาเคาะประตูยิวริยาจ้าเปิดหน่อยไม่เปิดบอกทําไมอ่ะก็นี่แหละมีอย่างสามีนอนอยู่กับภรรยาอยีกคนหนึ่งลั่นหนีไปหาภรรยาอยีกคนหนึ่งน บ, บีบอกปลา ฉันไม่เชื่อนบีก็บอกว่านาบีไม่พูดโกหกฉันออกไปเข้าห้องน้ำไปฉี่นบีก็ยืนที่ปากประตูภรรย า, าก็แบบเปิดประตูนบีเข้ามาอาลัลลอฮ์สั่งนะทางบนนะยิ้มมุฮัมมัดยิ้มนบีเดินเข้าบ้านยิ้มไม่พูดอะไรกับภรรยานะถ้าเป็นพวกเราแบบปับปบปับปับเหมือนอย่างนั้นมืออย่างนี้ใช่ไห ไม่ให้เกียรก็เอาสารภาพแต่นบีบอกว่ารบกวนยิ้มนิ่งสุนนะนบีไงทั้งเวลาจะทะเาะกับภรรยานึกถึงนึกถึงนบีข้อนี้ให้อาภาัยกับยิ้ม่นบีพูดว <c oughs> ่าไงมันอัฟูอันฮากุลยาอุมินส์มาอินนามรตันให้ให้อาภาัยภรรยาวันหนึ่งกี่กี่กี่ครั้งเจดสินบีพูดทําไมอะการให้อาภัยในมือของดีอยู่กับใครอยู่กับมาลาอิกะ ถ้ามโมโหอยู่กับใครอยู่กับชัยตอนีน่นะท่านการเรียนาศาสนาฟังฟังาศาสนาแล้วก็เรียนตัำสีกรุงอ่านด้วยอัลฮัมดุลิลาฮิโนงได้ความรู้เต็มไปหมดแล้วก็พัฒนาตัวของเรานะอ้าวต่อมาครับข้อที่อายะที่5อนะครับมาอัชฮัด ทั้งพวกเขาสร้างสวปอแปลว่าอะไรครับ นี่อัลลอฮ์เล่าเองนะให้มนุษย์ให้มุฮัมมัดเข้าใจให้คนที่อ่านคุรานวันนี้เข้าใจนะฉันมิได้เอานะมาอชัชฮัดตูฮุมฉันมิได้เอาพวกพวกนี้นะพวกยินพวกไซต์ตอนเนี่ยมาเป็นพยานอัลลอฮ์เล่าเองนะฉันไม่ได้เอาพวกยินพวกไซต์ตอนพวกอิบลิสเนี่ยมาเป็น พยานเป็นพยานในการทำอะไรค a l l k i s a m a w a t ลอ l a ในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินตัวรู้ว่ามาไรชัยตอนอิบลิสไม่มีส่วนในการสร้างชั้นฟ้ากับอัลลอฮ์เลยใช่ั้มนี่อายานนี้อธิบายอย่างนี้แสดงว่าอัลลอฮ์รับผิดชอบโลกดุนยาใบนี้แต่เพียงผู้เดียว ท่นอ bon mm ัลลอฮ์จ All right, ึงไม่มีรัฐมนตรีที่ปรึกษามีไหมไม่มีไม่มีองค์มนตรีใช่ไหมไม่มีมีใครมาเป็นที่ปรึกษาอัลลอฮ์มีไหมไม่มีอัลลอฮ์ว่ากันอัลลอฮ์มาได้นะไม่มีมูชิอไม่มีที่ปรึกษาไม่มีวาซิรไม่มีรัฐมนตรีวาลานริตและไม่มีใครเหมือนอัลลอฮ์ ต่วลงว่าอัลลอ์เนี่ยเล่าให้ท่านนบีมุฮัมหมัดฟังแล้วก็เล่าให้คนที่อ่านกุรุอานวันนี้ฟังว่าโลกดุนยาใบนี้อัลลอ์สร้างแต่เพียงผู้เดียวคนเดียวเท่านั้นเองอาไรกันเป็นสิ่งถูกสร้างชัยตอนเป็นสิ่งถูกสร้างวันที่สร้างโลกใบนี้นะ่ะชัยตอนยังไม่มีชัยตอนยังไม่มีสอนคนที่อ่านกุรุอาน แล้วก็ไปกราบชัยตอนทำไมแล้วไปบูชาชัายตอนทำไมไปบูชาจินทำไมไปบูช า, าเจ้าที่ทำไมเอาพวงมาลัยไปแขวนให้เจ้าที่ทำไมแล้วก็ อ, อะไรนะเอาผลละม offenses, ังผลไม้ไปวางอยู่ <friends> <arrator S 1> ให้เจ้าที่ทำไมเอาอาหารไปวางให้เจ้าที่ทำไมรวมไปถึงข้าวเหนียวอะไรนะไก่ย่างข้าเหนียวอะไรนะ ข้าเหยวเหลืองไก่ปิ้งร อ, อให้เจ้าที่กินทําไมเพราะเจ้าที่มันไม่มีอํานาจเะตุนั้นถ้าจะทําก็ทำเพื่อใครเพื่อ Allah อง์เดียวเลยอิละหมดูดิเลอร์โตตะเกียร์ตะเป็นต้องไปไหมเพิ่งมาไม่กี่ปีนี่เองโตตะเกียร์เหตุนั้นอย่าไปยุ่งกับโตตะเกียรอย่าไปยุ่งกับโตระยองอย่าไปยุ่งกับผีสาเทวดาอย่าไปยุ่งกับพระเจ้าปลอมๆหลองๆ จ, จอมปลอมทั้งหมดไม่เอา อัลลอฮ์เล่าเองนะมาอัชฮัดตุฮมุมคอลกิสมาวาติวัลอาดฉันไม่ได้เอาพวกมันหมายถึงพวกอิบลิชไชตอนเนี่ยมาเป็นพยานในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินวาลาคอลกออฟูซีฮิมแม้ในการสร้างตัวของัชตอนเองมันก็ไม่มีสิทธิ์ใดสร้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างให้ เอาสร้างมาจากอะไรเรารู้ใช่ไหมสร้างมาจากเปลวไฟที่ไม่มีควันไมยิ่งใหญ่ตรงไหนนี่ทารกเข้าใจอย่างงี้เรื่องอย่างงี้อัคคีดาเราสะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นเราไม่กลัวอะไรเลยตัวอย่างหนี่งนี่ผีใช้ตอนไปไปไปเป็นมะคลูกอย่างเราต้นกล้วยออกปีกลางต้นต้นไปขอหวยไหมเพราะทําไม แต่ที่คนมอ ง, มองภาพนะถ้าไม่อ่านกุรุนะจะมีอีซาศักดิ์สิทธิ์ทำไมเพราะมาจากแม่ไม่ผ่านพ่อนึกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ที่ถูกใครใครใหญ่กว่าอัลลอฮ์สามารถทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งท้องนะครับโดยไม่ต้องผ่านพ่ออัลลอฮ์ก็ทําได้อย่างนี้เป็นต้นฉะาั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์แล้วนะอัลกินดาเราในอัลฮัมดุลิลละสะอาดบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เหลือเกิอนอัลฮัมดุลิลละ ว่าละว่มากุณตุและฉันอัลลอฮ์นะมากุนตุมุตตะคิซัลมุดิลลนฉันไม่เอามาเป็นผู้ที่ช่วยเหลืออดูดาไปว่าแขนขาอัลลอฮ์จะไม่เอาชัยตอนอิบลิสเนี่ยมาเป็นแขนขาหมายถึงเป็นผู้ช่วยเหลือ Allah. อัลลอฮ์อ่า มาช่วยเหลืออัลลอ์ในการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินหรือว่าช่วยอะไรก็ตามแต่บนโลกดุนยาไปนี่อัลลอ์ไม่เอาอิบลิษชัยตอมาเป็นผู้ผู้ช่วยทำไมเนี่ยเพราะว่าอิบลิษชัยตอเนี่ยมันทำอะไรมุดิ ล, ลีนมันทำให้ผู้อื่นหลงอิบลิษชัยตอเนี่ยมันทำให้คนอื่นหลงผู้ที่ทำให้คนอื่นหลงอัลลอ์จะไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็น ผู้ช่วย Allah, วอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฉะนั้นอัลลอฮ์จะเอาเอาเอาเอาใครมาช่วยอัลลอฮ์วันนี้อัลกมาคนดีๆนะหากเลยคนดีมาทํางานศาสนานอัลลอฮ์ให้คนเหล่านี้มาช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์อ้าไปสอนศาสนาที่นี่ไปอธิบายคุรานที่นี่ไปสอนฮะดีสที่นี่อัลลอฮ์ไม่เอาคนเร็ว คนที่ทำาให้คนอื่นหลงเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยอัลลอฮ์ุบฮานฮูวตอลอดูดาแปลว่าแขนกับขาหมายถึงอ่าว่านานือเฮลเปอร์อ per, ผู้ช่วยเหลือนะครับอัลลอฮ์จะไม่เอาคนที่สิ่งที่ทำให้คนอื่นหลงทางเนี่ยเอามาเป็นนะเป็นผู้ช่วยเหลือในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะี่นอ พี่น้องครับครับพูดอธิบายนะตัศซ์ศิ์อธิบายบอกว่าศัตรูของอัลลอฮ์ที่มนุษย์บางกลุ่มบูชากราบไหว้และยึดเอาเป็นที่พึ่งหลอกหลอกนั้นอัลลอฮ์กล่าวว่าพวกมันเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นมัคลูกเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละ พวกมันไม่มีอำนาจใดๆที่จะให้ทุกข์ให้สุขมนุษย์ด้วยกันได้อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ออกห่างออกห่างขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์แต่หัวใจมนุษย์น่ะถ้ามันทําอะไรแผลงๆก็ก็กลัวเหมือนกันน่ะจะนั้นให้อ่านขอดูอาัลว่าไงนะกูลอาอูซูบิรอบบินนาสเห็นไหมให้อ่านเยอะๆเช้าๆอ่านกูลอาอูซูบิรอบบิลฟัลักคุลอาอูซูบิรับบินนาส น, น, นี่ให้อ่านเยอะๆ ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชายตอนเพราะชายตอนเนี่ยมีหน้าที่กระซิบกระซาบคนที่หัวใจเลยนะมันเข้าถึงหัวใจมนุษย์เลยนะะด้านเราต้องอ่านอ่าน د ع อ ء เยอะๆอ่านสามคูนเนี่ยกุนวะลอฮฺวะฮัดกุลเอาอูซูบิรอบบิลฟะละกุลอาอูซูบิรอบบินนาสเนี่ยสามคูนเนี่ยอ่านเป็นประจำขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อยากให้ชายตอนได้มีอิทธิพลเหนือเรานะอื อุลมามะอธิบายน่าจะอาย่านี้แหละอธิบายอย่างนี้วัสตะดัลละบิฮาอเลันนาฮูลายัมบะฮีอัลิสติยานะบิลกาฟิร์วะหัวฟิอูมูริดีนคือว่าการงานศาสนาอยากขอความช่วยเหลือจากคนกาฟิรงานศาสนาทั้งหมดงานสร้างมัสยิด อย่าขอเงินจากคนกาเฟสมาสร้างเอาคุณอัจฉรยะนี่มาอธิบายไงว่ามากุนตุมุตตะคิดัลมุดิลลีนาอดูดาอัลลอ์เนี่ยฉันจะไม่เอาผู้ที่ทำให้คนอื่นหลงมาเป็นผู้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินอัลลอ์ไม่เอาอะไรนะเอาไซตตอนอิบลิส อุลามา ก, ก็เอาอายานี้มาอธิบายต่อว่าเวลาพี่น้องมุสลิมต้องการจะขอความช่วยเหลือนะเรื่องงานศาสนาของอัลลออย่าขอร้องคนกาเฟแล้วก็เป็นไงต่อไปนะครับเช่นจิฮัดเฟสบิลิลาจะไปปกป้องศัตรูขอความช่วยเหลือจากอเมริกามันจะช่วยอ่ะอเมริกามันก็ยุแหลกเลยใช่ไหม นั่นน่ยอย่าขอความช่วยเหลือจากคนกาเฟตไปขออิสรตรออีนให้ล่ะไม่ให้อยู่แล้วมันยุให้ทะเลาะกันเลยวากิตาอาลุลบาคีไปไปจัดการกับคนที่ทําความชั่วคนเร็วๆเนี่ยอย่าไปขอความช่วยเหลือจากคนกาเฟตคนยะฮูดินัสรอณีอย่าไปขอวะอัมันอิสติอาณาบิฮิมฟีอุมูดินุญยาลาบาซะแต่ถ้ารว่างานกิจการดุนยาเนี่ย ขอความช่วยเหลือจากคนกาเฟตได้แต่งานศ า, ศาสนาอย่าไปยุ่งกับมันงานสร้างสุเร่าเนี่ยอย่าไปขอเงินกาเฟตเข้ามาเดี๋ยววันหลังมันก็ขอบ้างคพืจอเฉลิมขอเงินสร้างวัดหน่อยทำงไาอ่ะขามาก็ต้องห้าล้านครั้งที่แล้วพอครั้งนี้ก็ขอบ้างก็ขอสามล้านน่ะยุ่งเลยทีดียวฉะนั้นงา น, งาน ศ, าศาสนานี่อุลมามะตัฟซีดอธิบายดีนะ อย่าขอความช่วยเหลือจากคนกาเฟตนะครับเอามาบำรุงศาสนาของอัลลอแต่กิจการดุญยาอา้าวสร้างโรงพยาบาลปับ๊บไม่มีหมอเลยมุสลิมเอาหมอกาเฟตมาได้ไหมได้อย่างเงี้ยเรื่องดุญยาทำไปเถอะพี่น้องแต่งานศาสนาอย่าเอาคนกาเฟตมาช่วยนะครับเอาต่อมาอายาที่ห้าสบสองนะครับ วันเยาว์มาย่ ina, um, uh um, um, ำกูลนาดู شركى الَذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَعْبِقًا وَيَوْمَ يَقُولُ นี่อัลลอฮสอนให้นึกภาพนะจงนึกถึง วันวันหนึ่งเยาวหมายว่านึกถึงวันวันหนึ่งก็คือวันกิยามะนะะั่นแหะพี่น้องเอ้คำว่ายาวมหมายถึงวันกิยามะทีนี้ให้นึกถึงวันนั้นนะ่ะยากูลพระองค์จะจะตรัสพระองค์จะพูดนะพูดกับใครพวกผู้พูดกับผู้ที่บูชาจเจวิต คนที่ไม่เอาซุนนะอับบีไม่เอากุรานไม่เอาอิสลามแล้วคนที่บูชารูปเจเวต ท, ทั้งหมดคนที่ไปหาโตตะเกียโตระยองไปหาลูกกอคนที่เชื่อชัยตอนอลัลลอ์จะพูดในวันตียมะนี่แหละพูดกันตัวตงอย่างนี้เลยนะพูดว่าไงนาดูนาดูแปลว่าจงเรียกานานาดูแปลว่าจงเรียกคอเล่มเรียกมาเรียกมา เรียกอะไรชูรกาอิ ล, ลันรีนอาซามตุมบันดาเหล่านั้นที่สู่เจ้าอ้างว่าเป็นพระเจ้าหลอกหลอกพาคีต่อฉันตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยคนที่บูชารูปจเจวีตมีไหมมีคนที่บูชาอะไรนะโตตะเกียร์มีไหมมีคนที่บูชาโตระยองมี คนที่ดูบูชาผีมีคนที่บูชายินมีพวันกิยามาอลรอาจเรียกว่าเองเรียกมาสิ่งที่เองบูชาบนโลกดุนยานะเรียกมันมาเรียกมาเรียกมาเรียกมาเรียกมาอัลลอฮนาซาอมตุมที่สู่เจ้าอ้างว่าเป็นพระเจ้าหลอกหลอก้าคีต่อฉันเน่ยนะฟาดาวฮุมพวกเขาก็เรียกจริงๆนี่ยอลรอาเล่าเลยนะ อพวกเขาก็จะเรียกอะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะมันอาจจะแม่จะาจะแม่กวนอิมจ่าโตระยองจ่าโตแซ่อะไรบางบทองอะไระนะโตตะเกียจจาก็เรียกหมดนะี้ก็เรียกจริงๆเนี่ยอเล่าเองนะฟาดาหมพวกเขาก็เรียกฟนะาลัมยัสตาดีบูลาุม ดังนั้นแต่พวกเขาไม่ตอบรับไม่ตอบรับไม่ขานรับเงียบหมดเลยเห็นยังฉะนั้นการที่เราไปขออะไรจากคนอื่นอ้าวบางคนก็ขอจากตะยอเข่มามา่ะบรรพะบุรุษบางคนเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถึงอิสลามบอกว่าอย่าเอารูปภาพ ของยอของย่อเราของมะเราของแชร์เราของพ่อเราที่ทำธุรกิจดังๆแล้วก็เอารูปมาแขวนไว้ที่บ้านใช่ไหมอย่าไปใส่รูปกรอบอย่าไปใส่กรอบแขวนเอาไว้พ่อคนฮินดูเนี่ยเขาถืออย่างนี้พอพ่ อ, พอตายแล้วเขาจะมีรูปพ่อแหวกแขวนอยู่แล้วก็มีเทียนมีอะไรต่างๆบูชากัน พอลูกทําธุรกิจแล้วธุรกิจมันไม่เจริญการค้าขาดทุนมันก็จะไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปพ่อพ่อจะนี่ถ้าพ่ออยู่นะธุรกิจของลูกจะไม่ลําบากจะไม่มีปัญหาเพราะพ่อเนี่ยแก้ปัญหาเก่ง น, นี่ไงมันเป็นอย่างนี้พี่น้องฉะนั้นพี่น้องมุสลิมก็เห็นฮินดูมันทําอย่างนี้เวลาเราค้าขายขาดทุนก็ทําแบบฮินดูนั่นแหละ ด้นรูปภาพเขาจึงไม่ให้เอามาแปะไว้ที่บ้านของเราอัลบงอัลบัม้มใส่อัลบั้มให้หมดอย่าเอามาแขวนเอาไว้พอแขวนป้ามันมาแ่ะทําชี้ฤตต่ออัลลอฮ์ได้ตลอดเวลาเลยด้นนานอัครีดาของเรามันต้องสะอาดบริสุทธิ์เราไว้วางใจต่ออัลลอฮ์องคเดียวเท่านั้นปัญหามันจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาหูตะลามอบมาจากอัลลอฮ์ตรงๆผู้เดียวพี่น้อง เราไปทีเข้าหาอาลัลลอฮ์ก็ของเราง่ายนิดเดียวแปลงฟันอาบน้าน้ำหมามาน้าหมาดนั่นเราเป็นการเข้าหาอาลัลลอฮ์ที่ดีที่สุดเน่ยต้องต้องเสียทุกไหมต้องเสียเทียนไหมไม่ต้อเสียอะไรเลยสะอาดแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ต้องสะอาดฟันต้องสะอาดอัลลอฮ์อัลลอฮยิ่งลุกขึ้นตอนดึกดึ ก, ดกตีสามยุสียิ่งดีใหญ่เนี่ยมาขอกับอัลลอฮ์ร้องกับอัลลอฮ์ เรามีปัญหานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นอลัลลอ์สั่งนะครับวายามายาคูลนาดูชูรกาอิยัลละีนะสามจุมจงนึกถึงนะนี่อลัลลอ์สั่งให้นึกนะวันซึ่งพระองค์จะตัดแก่พวกบูช า, จาเจว็์ว่านาดูจงเรียกบรรดาเหล่านั้นที่สู่เจ้าอ้างว่าเป็นพระเจ้าอื่นจากฉันเนี่ยเรียกมาสิ ท่านมีปัญหาแล้วเดือดร้อนแล้วมาช่วยแก้หน่อยฟาดาวหมุมดังนั้นพวกเขาก็เรียกร้องมันฟ้าลัมยัสติยีบูละหุมแต่พวกมันไม่ขานรับเห็น <He right. S 2> อย่างหน้าแตกแล้วน้าแตกแล้วเนี่ยเอาล้อเล่าเลยนะและ้วต่อมาครับวาจจลนาเบยนะหุมเมาบิก <Philadelphia> อ และเราจะทําให้มีที่กัน้นอ๋อเราจะทําให้มีที่กัน้นระหว่างใครระหว่างคนที่บูชารูปจเวปจเว etAddress เจว็ t เนี่ยอลัลลอฮ์ช้มีที่กัน้นทีนี้ไอ้ที่กั้นเนี่ยมาบิกเนี่ยมาบิโกเนี่ยแปลว่ามุฮลีกันแปลว่าความหายนะอุลามะอธิบายดีตัฟซีดอธิบายดีอธิบายอย่างนี้ ระหว่างคนที่เคยบูชารูปจเจวิตเคยบูชารูปปั้นเคยบูชาโตตะกเกียเคยบูชาโตะระยองเคยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปบูชาต้นกล้วยเป็นบูชาหนามปลาไหลทั้งหมดที่เขาขอขออยู่บนดุงใานี่อลัลลอฮฺจะให้ตัวเขากับสิ่งที่เขาบูชามีบอ่นบอน้ำบ่อนึ่งมากั้นเอาไว้บอ่นบอน้าบ่อนั้นเนี่ย เป็นวาดีเป็นทานน้ำที่ใหญ่ที่สุดถ้าหากจะถ้าหากจะมองนะประมาณ400ปีใหญ่มากเลยแล้วก็ทานน้ำอันนั้นข้างในมีอะไรหรือไม่ไม่ใช่น้ำนะมีเลือดกับน้ำหนองเป็นทานน้ำหนองกับทานเลือดนึกภาพ พี่ต้องนึกภาพภาวันกียมาน่ะวันกยมารูปรูปจเวดอยู่อยู่อยู่อยู่ตรงนู้นคนอยู่ตรงนี้แล้วข้างหน้าเขานะ่ะมีอะไรนะมีทานน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดกับทานที่เต็มไปด้วยน้ำหนอง น, นาแค่เห็นเลือดแ้วก็ตกใจบางคนกลัวเลือดใช่ไหม อยู่บนดุงยาเนี่ยแล้วก็ไปเจอเลือดจริงๆเันจะเป็นยังไงแล้วเจอหนองจริงๆจะเป็นยังไงน้ำหนองนี่คัมภีร์อ่านอธิบายให้เราฟังท่า น, นวันนี้พี่น้องกันอย่าไปเคารพสิ่งอื่นได้นอกจากอัลลอฮ์ไม่เอาเอาอัลลอฮ์อง์เดียวพี่น้องท่านอุมารอัลบา ก, การีท่านอับดุลลาบินอัมรินได้รายงานบอกว่า คำว่าเมาบิกาเนี่ยว่าอะเอาไปนะฮมเมาบิกอเมาบิกอก็คือวาดินอามีกินเป็นทานทานที่ทํามาจากอะไรนะเลือดทานน้ำที่เป็นหนองลึกแยกระหว่างคนดีกับคนชั่วโอโลอธิบายนะแยกระหว่างคนดีกับคนชั่วเลย คนดีอยู่ฝั่งขอนูน่นคนชั่วอยู่ฝั่งขนี้เราก็มีทานน้ําที่เต็มไปด้วยน้าหนองกับน้นํนาเลือดเห็นไหมอยา่างไรท่านอย่าไปยึดเลยสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเป็นที่พึ่งนะพี่น้องอ่าพี่น้อง <c oughs> อายะสุดท้ายนะตกลงว่าอัลลอฮฺให้เรียกนะเรียกตัวตะเกียตัวตะเกียร์มาไหมไม่มาเรียกตัวระยองตัวยองก็ไม่มาเรียก ที่ท่านบูชากันอยู่นะเอาเรียกเข็มมาเรียกได้มาก็ผมเคยเห็นในพี่น้องเราเนี่ยวันแต่งงานเนี่ยก็มีถาดมีอะไรนะมีญ้าแพรกก็ได้อีกมีเข็มและให้เจ้าเบาเนี่ยมาเหยียบบนถาดพวกท่านนี่ทำอะไรกันนี่ก่อนาจารย์ไม่รู้เรื่องหรออาจารย์เด็กรุ่นใหม่อธิบายยาแพรกเป็นอย่งงางั้นอย่งงางั้นเข็มเป็นอย่างงี้ยางงี้ นี่ชี้หกหมดเลยอ่ะฉะนั้น อ, อะไรที่มุสลิมจะทำเนี่ยต้องถามว่านาบีเคยทำไหมถ้านาบีไม่ทำไม่ใช่ศาสนาเังนั้นของ ท, ที่มุสลิมทำเป็นศาสนาหมดทั้งหมดเพราะทำแล้วต้องมีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์อย่างนี้เปต้นนะอ้างอายะสุดท้ายไปน้องวรอะลมูจริมูนันนาร์ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مَوَاتِعُهَا วลม جديدوعنها مصرف ورآل مُجْرِمٌ แปลว่าและมุจริมที่ท่านเฉลิมถามมาที่ที่แล้วว่ามุจริมนะแปลว่าอะไรมุจริมก็คือคนผิดคนชั่วคนบาปคนเลวคนที่ไม่เอาศาสนาไม่เอากุรานไม่เอาสุนัขนบีมากำกับชีวิต นั่นเรียกว่าคนเลวคนชั่วเรียกว่ามุจริมแต่ที่คนมุจริมเป็นยังไงวะรอยมุสริมูนะนี่ภาพวันเตียมา น, นะพี่อน้องนะคนเลวคนชั่วคนไม่เอาศาสนาคนที่ดูถูกอิสลามนี่นะเรียกว่าคนชั่วคนชั่วจะเห็นอะไรอันนารเห็นอะไรเห็นไฟนี่อัลลอฮ์สัญญาเลยนะคนชั่วชั่วจะเห็นนรก โอ้โหนาะอูจะบินล้วเพราะเห็นนรกปั๊บเป็นยังไงฟะรอ น, นูฟะรอ น, น่าเนี่ยตรงนี้แปลว่าอัลเลกลีนแปลว่ามั่นใจซะอ น, น่าเดิมแปลว่าอะไรนะรู้ว่าสงสัยแต่ตรงนี้แปลว่ามั่นใจเพราะเห็นนรกปับ๊บมั่นใจเลยว่าอันนาหุมแท้จริงพวกเขานั้น มูวาติ่ยวคแปลว่าจะต้องตกลงไปอยู่ในนั้นแน่นอนพอเห็นนรกมาครูตกแน่ๆเลยางานนีน้มั่นใจเลยว่าต้องตกแน่ๆเห็นอย่างพี่น้องวัลลมยาจีดูอันฮามัสลิฟะและพวกเขาจะไม่พบทางรอดมัสริฟแปลว่าทางรอดทางเลี่ยงไม่มี ทางอื่นไม่มีมีอยู่ทางเดียวจะต้องตกแน่ๆไม่มีทางอื่นที่จะเลี่ยมได้พี่น้องต่างหากพี่น้องในตัปซิดอธิบายเอาฮะดิษมาอธิบายกูนอ่านว่าอย่างนี้ท่านสังข์อัลกูดรีระดีย الله, ัลลอฮ์วางดูได้กล่าวว่าว่าท่านนาบีสอนว่าอัลกาเฟตคนกาเฟตเนี่ยลายร อ, อยาฮันนำเขาจะต้องเห็นนรกแน่ๆ นะครับนรกม า, มามามาอยู่ข้างหน้าเขาไฟยรุณเขามั่นใจว่าอันนาหูมูวกีอัติเขาจะต้องตกลงไปอยู่กับมันแน่ๆเดินทางเท่าไรอาตบะจะมีอาสนะสี่ร้อยปีสี่รยปีไปน้องอยู่ในนั้นน่ะภาพของมันไปน้องอรอถ้าจะเดินไปหามันเนี่ยถ้าจะอยู่ก็อยู่ยนานมากไปน้องเลย สามสี่ร้อยปีอัลลอฮฺน่ามไปแล้วไปอ้างไปน้องสรุปภาพนะภาพที่คนชั่วจะได้เห็นทั้งหมดมีอยู่สิบสองภาพผมสรุปเป็นนี้นะหนึ่งคนชั่วจะเห็นที่ทุ่งมาชัดอย่างเดียวนะที่ทุ่งมาชัดนะคนมุสลิมไม่ได้เห็นเพราะมุสลิมจะอยู่ยืดท่ทุงมาชัดเนี่ยเท่ากับยืนนมาเจาะอก อ, อัดสองอกอัดแล้วอัลลอฮฺก็พาเข้าสวรรค์ อุลมากอธิบายอย่างนี้ตื่นเช้าตื่นขึ้นมาจากทุ่ง ม, มาชัดเนี่ยกินเบรคฟาสอาหารเช้าที่ใต้บันลังอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์สอบปั๊บเข้าสวรรค์ลันช์อาหารกลางวันในสวนสวรรค์เนื้อทอดเนื้อนกทอดเอามาดูภาพคุณคาเฟ่ คนกาแฟคนมุสลิมคนไม่เอ า, าศาสนาคนบาปคนชั่วข้อที่หนึ่งเขาจะเห็นภูเขาเนี่ยเคลื่อนย้ายจากที่เดิมใช่ไหมอ่า น, นละภาพที่หนึ่งเห็นภูเขาย้ายที่แล้วก็ บ, บ้านเราจะเหลือหรือสุราลูกจะเหลือหรือแต่คนตนไม้ไม่เหลือข้อที่สองเขาจะเห็นพื้นดินราบเรียบเป็นหน้ากลองภาพที่สามอัลลอฮฺจะ เรียกมนุษย์ทั้งหมดมาชุมนุมกันทั้งหมดภาพที่สี่ทุกคนจะถูกจับไม่ปล่อยให้ผู้ใดเหลือสักคนหนึ่งจับหมดเลยข้อที่ห้าคนมุจริมจะถูกนำตัวให้มายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺสุานหูวาตอลานี่ภาพเรื่องคนชั่วหมดเลยนะภาพที่หกบันทึกความชั่วหรือความดีจะถูกนำเอามาวางไว้ต่อหน้าเขา ภาพที่เจ็ดคนชั่วเห็นสมุดบันทึกเป็นไงกลัวตัวสั่นเลยดิงด่งดิงด่งดิดดิดิภาพที่แปดมิมมาฟีกลัวสิ่งที่อยู่ในสมุดบันทึกไม่ใช่กลัวสมุดสีเขียวสีแดงไม่ใช่กลัวสิ่งที่อยู่ข้างในข้อที่เก้าคนชั่วจะพูดว่าอย่างนี้ยาวไยลัตนา ความบิบัติแก่เราเออเห็นไหมจะพูดคํานี้ออกมาฉันแย่แล้วกูแย่แล้วกูตายแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยตอนอยู่บนดุจญาเนี่ยบางคนน่ะเป็นนู่นน่ะเป็นคิงบางคนเป็นประธานาธิบดีบางคนเป็นตําแหน่งใหญ่ๆเต็มไหมดพูดเหมือนกันหมดเลยกูแย่แล้วกูไปไหนไม่รอดแล้วยาว่าไวยลตนะัตนาภาพที่เก้ามาดา ดาสมบูรบันทึกมาลิฮาเดลกิตาบนี่สมบูรบันทึกอะไรกันบันทึกทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยบันทึกหมดเลยแย่แล้วฉันข้อที่ส1บอ็ดวาวาจาดูมาอาเมลูฮาดิรอสิ่งที่พวกเขาทำไว้ถูกนำเอามาแชรไว้หมดเลยทั้งภาพทั้งเสียงทั้งตัวหนังสือแต่อาลูกิ อาลูกกาชวีคนที่รู้เรื่องเรียนรับก็มีความเชื่อนะแต่เป็นความเชื่อที่ผิดนี่นะเขาบอกวันเกียร์มาเห็นเฉพาะตัวตั ว, ตวอักษรอย่างเดียวข้อที่สิบสองข้อสุดท้ายคนชั่วเห็นนรกและก็มั่นใจว่าเขาจะต้องตกนรกแน่แนนี่เป็นภาพที่อัลลอฮฺเล่าดังนั้นถ้าเราเอาเรื่องอย่างนี้นะสิบสองเรื่องเนี่ยนึกไว้ในใจตลอดเวลาเนี่ยถามว่าพวกเราจะกล้าข า, า, าดตมานไหมล่ะ จะ ก, กล้าไม่ทําความดีเนี่ยสิบวันก่อนจะถึงวันอะไรนะอ้ดุลอาณาเนี่ยจะ ก, กล้าไหมท่านก่อนวันที่หนึ่งสุริยญาติวันเดียววันที่หนิยญาติ จ, จะเปล่าวันนี้ยใ ช, ใช่ไหมอา่าวมีภารกิจจะต้องทําถือสินอดก็ได้เรเป็นอามันจีซอแล้วแล้วก็อ่านคูณอ่านเยอะๆแล้วก็ริกรุลล่นอยเยอะ ๆ, ๆ, ๆแล้วก็สอนดลบกเยอะๆด่ามียเยอะ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ ใช่ป่าไม่ใช่คุยกับภรรยาดีๆนะครับเอาคัุภีานมาอ่านอ่ะเธออ่านฉันอ่านแล้วก็นั่งกันฟังอยู่ในบ้านน่ะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมถ้ามีลูกมีหลาน ก, ลก็อัดลูก อ, าาอา่านคัมภีรแล้วก็นั่งฟังอัดลูกอ่านแม่อ่านสามีอ่านบ้านมีบริกรรมแล้วก็อย่าอย่านั่งนินทาคนเพราะนินทาเนี่ยมัน ล, ล้อมทําลายขอมดีจะเราทาไว้ทั้งหมดดันั้นก่อนจะถึงวันอะไรนะวันอีดเนี่ย มีภารกิจจะต้องปฏิบัติก็จะต้องอ่านคุงอ่านซิกรุลอถือสัญอดได้ไหมได้แต่วันวันวันวันที่เก้านะขาดไม่ได้นะวันอะไรนะวันอารอฟาอัลลอฮฺจะยกโทษสองปีเ่็นไหมปีที่แล้วกับปีข้างหน้าต่อไปกันทีคนดีเอาแล้วกับสุภานักอัลลอฮหุมมาผหมดีกว่าแะดวกแล้วยิลัฮิลอันตะอัสตะฟุลกอตุิไลกัสสลามะลาอกุมะรหมัตุลลอฮิวะบารอกต